เรื่องราวเรื่องนี้เดิมทีถูกถ่ายทอดมาเป็นภาษาท้องถิ่นอีสานและเพื่อง่ายต่อความเข้าใจผมจะขอถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นภาษากลางให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าแล้วเราก็มารับฟังเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับห่อหมกห้วกไปฝากป้าเรื่องนี้เจ้าของเรื่องมีชื่อว่าแทนไทยแทนไทยเนี่ยเป็นน้องของเพื่อนผม และผมก็ได้รู้จักกับเขาตอนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดและตอนที่อยู่ที่วัดนั้นพวกเราก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยลองเดินไปหาอะไรกินที่หน้าวัดดูก็เห็นเป็นร้านขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ร้านหนึ่งก็เลยพากันเดินไปซื้อพอดีว่าคนขายกำลังทาเพลงห่อหมกห้วกไปฝากป้าอยู่พอดีแทนมันก็เลยหันหน้ามาบอกกับผมว่าอ้ครับผมฟังเพลงนี่แล้วผมคืดหอดคดหอดบ้านติบอกครับ ผมถืกผีหลอกกยะอนห่อมกหวกไปฝากป้านเนี่ยแหละครับอือีหลีติโม อ, อีหลีครับเดี๋ยวผมสิเราซูฟังครับเรื่องเรามีอยู่ว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วแทนเป็นหนุ่มสกลุลอายุ19ปีและเพิ่งจะเรียนจบชั้นมหแทนเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านและมีน้องสาวอายุ15ปีอีกหนึ่งคนแต่ด้วยความที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนแทนก็เลยไม่ได้เรียนต่อ แต่พอดีก็มารู้จักกับญาติอีกคนหนึ่งที่ชวนไปทำงานที่กรุงเทพแทนเห็นว่าได้เงินดีก็เลยตอบตกลงที่จะไปทำงานด้วยแล้วก็บอกพ่อกับแม่กับน้องสาวว่าเดี๋ยวจะส่งเงินให้ใช้ถ้าถึงหน้านาก็จ้างเขาเอาไม่ต้องทำเองแทนเข้ามาทำงานในกรุงเทพด้วยความขยันขันแข็งการติดต่อสื่อสารกันในสมัยนั้นก็มีเพียงแค่การส่งจดหมายหากันแทนส่งจดหมายกลับมาที่บ้านตลอด มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แทนไม่ได้ส่งจดหมายกลับมาที่บ้านเลยเพราะงานค่อนข้างจะยุ่งเวลาผ่านไป2ปีก็บาได้เมื่อบ้านพอดีว่าอ้าคนที่ชวนไปทำงานด้วยกันนั้นเขาออกรถกระบะใหม่เขาก็เลยบอกกับแทนว่าสงกรานนี่ซื้อเมื่อบ้านสิกลับน้ำกันยุบมะฮพอได้ยินแบบนั้นแทนไทยก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปก็หลายอยู่พอถึงวันที่ต้องเดินทางกลับ ญาติก็พากลับกลางคืนเพราะกลางวันแดดมันร้อนกะเวลาการเดินทางไว้ว่าพอเกือบจะเช้าก็ถึงบ้านพอดีแทนเดินทางมาถึงทางเข้าหมู่บ้านตอน6กโมงเช้าเปะ๊ะอากาศท้องไร่ท้องนาที่แสนจะคืดหอดจึงอดไม่ได้ที่จะทําให้แทนยางไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดพอเดินทางใกล้จะถึงบ้านแทนจะต้องผ่านบ้านป้าคนหนึ่งที่รู้จักแกชื่อว่าป้าอ้อยป้าอ้อยแกอยู่กับลูกสาวคนหนึ่งที่ชื่อ อ, อ้อม แทนเห็นเกมายืนอยู่หน้าบ้านแทนจึงร้องทักออกไปทั้งสองได้พูดคุยกันตามภาษาญาติสนิทที่ไม่ได้พบเจอกันนานแล้วป้าอ้อยก็บอกกับแทนว่าพ่อกับแม่ของแทนเพิ่งจะเข้าเมืองไปเมื่อกี้เพราะว่าน้องสาวของแทนที่ชื่อว่าทัพทิมนั้นไม่สบายแทนก็แปลกใจว่าตอนสวนมาก็ยังไม่เห็นรถใครเลยป้าอ้อยก็เลยบอกว่าคงจะไปตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เลยไม่ทันกันสักพักน้องอ้อม ลูกสาวของป้าอ้อยก็เดินลงมาจากบ้านทั้งสามจึงยืนพูดคุยและหยอกล้อกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่แทนจะขอตัวลากับบ้านพ่อกลับมาถึงบ้านแทนก็เห็นข้าวเหนียวกับปลาปิ้งตั้งอยู่แทนจึงกินเข้าไปและนอนหลับตื่นอีกทีก็บ่ายโมงอากาศตอนนั้นกำลังดีมองไปเห็นไซ่ข้องสวิงก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะไปนาหาอะไรมาทากินไว้รอพ่อกับแม่กลับมาจะดีกว่า แทนไทยได้ปลากลับมามากมายหลายชนิดทั้งปลาคอปลาเขงหอยจุกหอยเข็มอักษรหรือหอยเชอรี่พะ น, นะแล้วก็ได้หัวหมีกระคุใหญ่แทนจึงอย่างอ้อยต้อยกลับมาบ้านแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านมองไปไกลๆเห็นบ้านของประพรซึ่งมีศักเป็นป้าแท้ๆของมันว่าแล้วก็จะไปหาแกจักหน่อยแต่มองไปก็เห็นประพรเข็นรถซุกไปทางนาเอ๊ะ หรือว่าแกจะไปเกี่ยวหญ้าให้งัวเนาะแทนจึงกลับมานั่งพักที่ใต้ถุนบ้านและคิดว่าเดี๋ยวจะต้มปลาข่อของหมกห้วกเอาไปฝากป้าพรกับป้าอ้อยดีกว่าแทนง่วนอยู่กับการลังสรรเมนูสุดพิเศษมาแล้วเสร็จอีกทีก็ตอนห้าโมงแรงแทนถือห่อหมกห้วกไปสองหอ่อย่างไปที่หน้าบ้านของป้าอ้อยและเรียกเพลนป้าอ้อยก็เดินออกมาเอาหมกหมวกแกดีใจหลาย และแกก็บอกว่าแม้กำลังอยากกินอยู่พอดีเลยและแทนก็เลยบอกกับป้าอ้อยว่าเดี๋ยวผมไปหาป้าพรก่อนครับกลับมายังไม่ได้ไหว้เพิ่นเลยป้าอ้อยก็ยิ้มและย่างเข้าบ้านไปพอไปหอดบ้านป้าพรก็เอื้อนหาเพิ่นคือเก่าอันป้าพรครับผมบักแทนเนอะครับเพิ่งเมื่อบ้านมาว่า น, นี้เอาห่อมกหวกมาฝากครับกําลังห้อนๆเลยครับแม่ป้าป้าพรครับป้าพร ไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นฟ้ากำลังมืดค่ำลงแทนก็มองไปเห็นรถซุกมีหญ้าอยู่เต็มก็คิดว่าป้าพรน่าสิกลับมาแล้วแทนก็เลยบอกว่างั้นผมเอาห้อยไว้ที่หัวเด้อป้าครับพอแทนกำลังจะหันหลังย่างกลับก็ได้ยินเสียงป้าพรเอินเอาแทนบอลาเมื่อบานมาแล้วติคือทอดายป้าพรก็เดินเข้ามาสวมกอดแทนแล้วก็จับไม้จับมือ ตามภาษาคนที่เคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ตอนนั้นแทนสังเกตเห็นว่าตัวป้าพร น, นั้นร้อนผิดปกติแทนก็คงคิดว่าแกคงไม่สบายเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วแทนก็ถามหาลุงเลิศที่เป็นผัวของป้าพรป้าพรก็บอกว่าแกไปซื้อปุ๋ยในตลาดตั้งแต่เที่ยงแล้วสักหน่อยก็คงจะกลับมาจากนั้นแทนก็เดินกลับมานั่งที่แค่ใต้ถุนบ้านเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวกลับมาถึงบ้านพอดี แทนดีใจหลายหลายเพราะ่าไม่ได้พ่อหน้ากันโดนแล้วก็เลยพากันตั้งสําหรับกินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพอดีว่าพ่อของแทนไทยได้เล่าสาโทมาขวดหนึ่งเพิ่์นก็นเลยถามแทนว่ากลับมาบ้านแล้วได้ไปใส่แล้วบอกนอกจากให้จากนาแทนก็นเลยบอกไปว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าเมื่อกี้เอาหมกหมวกไปให้ป้าพรมาจริงๆว่าสิไปตั้งแต่บ่ายแล้วแต่เห็นป้าพรเอารถซุกไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวแม่ก็เลยบอกมาว่า ป้าพรแกไม่สบายมาหลายวันแล้วเด๊เมื่อวานพ่อกับแม่ก็ไปเยี่ยมมาแกยังลุกขึ้นไม่ได้เลยแทนก็งึดนําคําว่าของคุณแม่พูดจบก็มีมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงหน้าแค่ก็คือลุงเลิศผัวของปพอ้พรนั่นเองเห็นแบบนั้นแทนไทยจึงถามออกไปว่าลุงเลิศครับปพ้พรป่วยดิครับเห็นคุณแม่บอกลุกบอกขึ้นแต่ตะกี้ผมยังเอาหมกข่วกันให้เพลินอยู่เลยลุงเลิศก็ยิ้มแล้วก็บอกมาว่า แกดีขึ้นแล้วล่ะกินยาไปตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามาก็ลุกได้แล้วแทนก็ยังพูดต่ออีกว่านอกจากป้าพรแล้วแทนยังเอาห่อหมกห้วกไปฝากป้าอ้อยกับน้องอ้อมอีกเด้พอได้ยินดังนั้นถึงสามคนหันหน้ามองกันพ่อก็ถามบักแทนว่าเฮ้มึงเว้าวไหมดูบักแทนผมว่าผมเอาหมกห้วกไปฝากป้าอ้อยครับว้าจบแล้วว้าจบพูดจบแล้วลุงเลิดก็บิดรถนีอัาดไปเลย แล้วพ่อก็บอกกับแทนว่าบักแทนเอ้ยปลาอ้อยกับอีนั่งอ้อมมันตายมาสองเดือนกว่าแล้วมึงเห็นอนีนลีบ่หนิและแทนไทยก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดปลาอ้อยกับ น, น้องอ้อมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนก่อนเหตุก็เพราะว่าทั้งสองคนนี้ไปหาห่วกด้วยกันที่บ่อแล้วบังเอิญว่าปลาอ้อยแกเกิดหน้ามืดแล้วก็หัวทิ่มลงไปในบ่อโดยความที่แกว่ายน้ําไม่แข็งลูกสาวเห็นเข้าแบบนั้น ก็เลยพยายามจะเข้าไปช่วยเคาะซ้ำกำรรซัดน้องอ้อมคงสิเหมืนขี้ดินหัวไปฟาดอากับท่อนไม้คอหักตายเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกกว่าคนสิไปพ่อศพก็ขึ้นอืด อ, อ่างล่างหมดแล้วแทนไทยได้ยินอย่างนั้นถึงกับหน้าเสียแต่ก็ยังมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ใช่ผีแน่ๆเพราะหน้าตาของทั้งสองคนไม่เห็นจะเหมือนผีเลยสักนิดหลังจากกินข้าวกันแล้วแล้ว แทนก็เอาพินมาดีดเล่นแล้วก็กินเหล้าสาโทไปนํำแล้วก็เมาเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้บาดที่นี่ก็รู้สึกโต ว, ว่าได้ยินเสียงเกือบแตะยางเข้ามาพอเงยหน้าขึ้นไปบึ่งก็เห็นเป็นน้องอ้อมนั่งอยู่ข้างๆแทนก็เลยถามถ่ายไปว่ามาทำอะไรที่นี่ตอนดึกๆแต่แทนสังเกตเห็นว่าจะมีน้ําไหลออกมาจากใบหน้าน้องตลอดเวลาที่พูดคุยกันและน้องอ้อมก็พูดขึ้นมาว่าห่อมกห่วงคอยกับอีแม่ยังไม่ได้กินเด้อจ้า แทนกำลังจะถามต่อว่าเป็นอย่างคือบอได้กินก็นึกได้ว่าน้องอ้อมตายไปแล้วสะเดอตกใจถอยหลังไปติดเสาเฮือนและน้องอ้อมก็ยังพูดต่ออีกว่าเอาห่อมุกหวัวไซบาตให้ในเด้ออายขอยอยากกินหลายครับพูดจบน้องอ้อมก็เดินถอยหลังแล้วหันกลับไปโดยที่มีน้ำไหลออกจากตัวตลอดเวลาพอกําลังจะออกพ้นจากตัวบ้านไปนั้นบริเวณลําคอของเธอก็บิดแล้วหัวเธอก็พับหันหลังกลับมาแล้วเธอก็พูดว่า อย่าลืมทิ่คอยบอกเด้อไอแทนหลังจากนั้นเธอก็ย่างออกไปและหายลับไปในความมืดไอแทนสลบไปตอนไหนก็ไม่รู้มาตือนอีกทีฟ้าแจ้งจางปางแล้วพ่อแม่ก็ปลุกแล้วถามมันว่าทาไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้มันก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังทั้งหมดเลยพากันไปใส่บาดโดยเอาต้มประคอกับห่อหมกหวกใส่บาดไปให้ทั้งสองคนหลังจากวันนั้นมา แทนไทยก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนอีกเลยนอกจากนอนอยู่บ้านจนกระทั่งวันกลับกรุงเทพแล้วในคืนหนึ่งแทนก็ได้ฝันว่าปะาอ้อยกับน้องอ้อมมาขอบคุณที่เอาห่อหมกห่วกใส่บาตไปให้เพื่อนได้กินแล้วเรื่องเล่าทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับย้ามไหนที่พ่อหมกห่วกก็สิคืดถึงเรื่องนี้ทุกเทือครับ